ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังโอวาทคำสอนที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและอุดมด้วยมงคลในชีวิตของท่านเหลียวฝานนักปราชจีนโบราณเรื่องโอวาสีท่านเหลียวฝาน บทนำเรื่องของคุณเจือจันต์อัชพันธ์มิสโจผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเพียงปรารถนาให้พี่น้องชาวไทยได้รู้และมีโอกาสนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดีงามอันเป็นนิสัยของบรรพชนไทยที่ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ชาวไทยรุ่นต่อๆไปควรรับไว้เป็นแบบอย่างมิใช่ถูกคลื่นวัฒนธรรมตะวันตกพัดพาไปตามยะถากรรมจนคนไทยไม่เป็นตัวของตัวเองได้โปรดหยุดทำตัวเป็นฝรั่งดึงความเป็นไทยกลับคืนมาช่วยกันยังความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราเถิด ก่อนเริ่มเรื่องลัทธิที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในประเทศจีนก็คือลัทธิของท่านขงจือกับท่านเหลาจือท่านคงจือท่านดึงคนให้เข้ามาอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมประเพณีและพิธีกรรมเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขชั่วนิรันท์ท่านเหลาจือท่านแก้คนให้หลุดจากขอบข่ายทั้งมวลในสังคม ให้ดำรงชีวิตผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอันเสรีให้ชีวิตเป็นอมตะชั่วนิรันดร์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธทรงเห็นว่าแม้จะร้อยรัดชีวิตให้อยู่ในขอบเขตได้เพียงไรหากเกิดความขัดแย้งทางจิตใจซึ่งเป็นปกติวิสัยของชาวโลกความทุกข์ ย่อมเข้าครอบงำทันทีครั้นเมื่อแก้ให้หลุดพ้นจากพันธนาการของสังคมได้แล้วก็ยังหนีความทุกข์อันเป็นไปตามกฎแห่งไตรรักหาพ้นไม่ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารย่อมหนีความทุกข์ในวัฏจักรแห่งกรรมไปไม่ได้เลยนอกจากจะพัฒนาตนเองตามขบวนการของศีลสมาธิ และปัญญาด้วยวิปัสสนากรรมฐานจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้โดยสิ้นเชิงท่านเลียวฟานเป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจและเข้าถึงคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาท่านจึงนิพน์หนังสือนี้อันเป็นประสบการณ์ของท่านเองเพื่อชี้ให้ลูกท่านเห็นว่าชีวิต ที่อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมก็ดีหรือจะหลุดจากขอบข่ายทั้งมวลในสังคมก็ดีล้วนแต่เกิดจากเจตนารม์ของตนเองทั้งสิ้นมิได้ขึ้นอยู่กับลิขิตของฟ้าดินชะตาชีวิตมิใช่ข้อชี้ขาดที่จะแก้ไขไม่ได้จะดีจะชั่วมิใช่ฟ้าดินจะบันดานให้โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล แต่ตัวเราเองต่างหากคือผู้กำหนดอนาคตของตนเองปุ่ทูชนมักมองชีวิตว่าถูกลิขิตมาแล้วแน่นอนก่อนเกิดซะอีกความจนความรวยความสูงสักความต่ำต้อยความบุญมั่นขวัญยืนหรือไม่ล้วนแต่เกิดจากผลแห่งกรรมอันเป็นการกระทำด้วยเจตนาที่ดีบ้างชั่วบ้าง ที่ตนเองได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนวิบากย่อมส่งผลของชาติที่แล้วมาบ้างที่ย้อนขึ้นไปอีกหลายชาติบ้างทัศนคติที่มีต่อกรรมเช่นนี้แม้จะถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดท่านเขียนหนังสือนี้เพื่อสั่งสอนอบรมบุตรของท่านต่อมาท่านเห็นควรจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หนังสือนี้จึงแพร่หลายมาจนทุกวันนี้คำว่าพ่อในหนังสือนี้จึงหมายถึงท่านเหลียวฝานนั่นเอง